เราจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเพราะว่าต้องทำกิจวัตรหรือว่าการปฏิบัติที่อาจจะดูซ้ำไปซ้ำมาสร้างจังหวะก็สร้างกันเป็นชั่วโมงเดินจงกรมก็เดินกันเป็นชั่วโมงทั้งวันก็มีแต่สร้างจังหวะเดินจงกรมนะเป็นหลักสำหรับคนใหม่ก็อาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อ แต่ว่าจะไปมองว่ามันเป็นเรื่องซ้ำรากทำซ้ำๆมันไม่ใช่แปลว่าเป็นเรื่องซ้ำซาชีวิตเราจะริญได้ก็เพราะการทำสิ่งซ้ำๆกันเราก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่แค่นั้นแหละเราอยู่ได้ก็เพราะการหายใจเข้าหายใจออกแค่สองอย่างเท่านี้แหละหัวใจเราก็เต้นแล้วตเต้นเร่ามันก็เต้นซ้ำๆกันไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วถ้ามันไม่เต้น หรือมันเต้นผิดจังหวะเปลี่ยนจังหวะเพราะมันเบื่อมันอยากจะเต้นจังหวะใหม่ๆบ้างเรานั่นแหละที่จะเดือดร้อนมันก็เต้นจังหวะนี้แหละแค่เนี้ยก็พรามันเต้นจังหวะซ้ำๆไปซ้ำๆมานี่แหละก็ทําให้เราอยู่ได้ทุกวันเราก็ต้องกินข้าวก็กินข้าวทุกมือ้อทุกมือ้อทุกมือ้อมันก็ทําให้เราอยู่ได้ถ้าจะไปเปลี่ยนกินข้าวไม่เป็นเวลาบ้างมันจะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวกินตีหนึ่งมังางเดี๋ยวกินมงเช้ามั่งนะเดี๋ยวกินสามทุ่มมั่งให้มันแปลกๆออกไปให้มันดูใหม่ออกไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราชีวิตเรานี่ที่จเจริญ ม, มาได้ก็เพราะการทำสิ่งซ้ำๆเดี๋ยไปคิดว่ามันต้องทำอะไรใหม่ๆแปลกๆอันนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการดาเนินชีวิตให้เป็นไปตามปกติแม้แต่การเรียนหนังสือของเรา เราเขียนกไก่ขอไข่ได้ก็พราะเราทําซ้ําๆจะท่องศัพท์จะท่องอาขยายก็ต้องท่องซ้ําๆนะสับบางตัวนี่กว่าจะจําจได้มันต้องท่องจำไม่รู้กี่ครั้งให้เราอย่าไปรังเกียจะอย่าไปไหนแหนงการทําอะไรซ้ําๆนะเดี๋ยวนี้เราไปเชิดชูว่ามันต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะฟังเพลงไม่กี่ครั้งก็เบื่อแล้วก็ต้องมีเพลงใหม่ต้องมีเสื้อผ้าชุดใหม่ต้องมี อาหารแปลกๆใหม่ๆนแต่ยาสีฟนก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อกันไปเรื่อยเราไปเชื่ชูให้ความแปลความใหม่จนลืมไปว่าของที่ทําซ้ําๆนี่แหละมันเป็ น, เ ป, นเป็นหลักเป็นแกนเป็นพื้นฐานของการดาเนินชีวิตที่เราปฏิบัตินี่จะว่าไปนี่มันก็ยังดูงว่าสบายนะให้เรานึกถึงนะชาวนาชาวไร่นี่เขาทางานหนักกว่าเราเยอะตื่นเช้า ต้องไปนาต้องไปไร่ต้องไปตากแดดตากฝนจับจอบจับเสียมขุดดินกว่าจะกลับมาก็ค้ำมืดา ง, งานที่เราทำาจงไงสบายกว่าแม่ค้านี่ต้องตื่นมาตี3ามีสแล้วก็กินไม่เป็นเวลาต้องอยู่ในตลาดต้องเจอกับอะไรต่ออะไรมากมายหรียกว่าเป็นประเภทต้องหาชอ า, ากินข้ากรรมกรก็ยิ่งแล้วใหญ่ต้องเสี่ยงอันตรายตากแดดตากฝน ไม่รู้จะมีกินหรือเปล่าแต่นี่เราอยู่นี่ก็เรียกว่ากินอิ่มนอนอุ่นไม่ได้ใช้แรงอะไรเจอแดดมากเราก็หลบเข้ามาในตาลาในคุตติฝนตกก็ยังมีที่พักพิงไม่ต้องไปคอยดิ้นรนเอาตัวรอดก็เพียงแต่ว่าทาในสิ่งที่มันอาจจะดูซ้ำๆ้นะแต่ที่จริงมันไม่ซ้ำซากนะมันไม่จำเจหรอกเพราะว่าการดูใจเนี่ย ให้เราสังเกตดนะูใจของเราถ้าเราดูใจของเรามันก็จะเห็นว่ามันออกมาใหม่ๆอยู่เรื่อยมันมีลูกไม้ใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยมันไม่ใช่เรื่องซ้ำซากแต่ว่ามันเพียงแต่เป็นกิจวัตรที่เราไม่คุ้นแต่พอทําไปทําไปก็จะเริ่มคุ้นนะแล้วการปฏิบัติก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายก็ต้องยอมนะต้องยอมสู้กับจิตที่มันประยศจิตตอนนี้เรามันใหม่ๆ ม, มันจะประยศ มันมันเสพติดกับผัสสะมันเสพติดกับรูปรลกลิ่นเสียงมันเสพติดกับแสงสีเสียงในชีวิตประจําวันโทรทัศน์เอ้ยนะอาหารอร่อยอร่อยเอ้ยผู้คนที่ได้พูดคุยกันสนุกสนานพอเข้าไปเสพมันเขาก็ติดพอเข้ามาอยู่ที่นี่มันก็โหวยหาห่ยหารสชาติเดิมๆหรือว่ารสชาติใหม่ๆมันก็เหมือนคนที่ติดยานะ พอไม่ได้เสพยาพอไม่ได้เสพบุหรี่หรือไม่ได้กินกาแฟามันก็จะประยศปั่นป่วนเรืยกวลงแดงา ก, การเสพติดในผัสสะแสงสีเสียงก็เหมือนกับการเสพติดชนิดหนึ่งพอไม่ได้เสพอย่างที่เคยเสพมันก็ป่วนเป็นอาการลงแดงอีกแบบหนึ่งเป็นอาการลงแดงทางผัสสะอันนี้เราก็อย่าไปยอมแพ้มันต้องอดทน บางทีก็ต้องให้กำลังใจกับตัวเองบ้างนะให้กำลังใจตัวเองให้สู้อย่างพระที่ท่านปฏิบัติในสมัยพุทธกาลนี้ท่านก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือการปลุกปลอบจิตใจตัวเองให้สู้จิตเอ๋ยจงตื่นเถิดนะเจ้าจงทำตนให้เป็นที่พึ่งนะเพราะว่าทำตนให้เป็นที่พึ่งนั่นแหละก็จะได้ที่พึ่งที่หาได้ยากบางทีท่านก็ปลุกนะให้ตื่น ให้กำลังใจจิตใจของตัวเองให้พยายามมีความเพียรเพื่อให้จิตเป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้แต่บางท่านนัานก็รู้ว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลท่านก็ใช้วิธีตำหนนะิเจ้าจิตตัวร้ายนะเราจะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของเจ้านะกามนี่เป็นของเผ็ดของแสบเราจะมุ่งแต่พาณิพันธ์อย่างเดียวนี่ท่านก็บางท่านก็พูดอย่างนี้เลยตาหนิจิต ว่าเราจะไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเจ้าเจ้าไม่รู้หรือว่ากามที่เป็นสิ่งผผด็จแสบการในที่นี้ก็หมายถึงรูปรสกลิกก่นเสียงที่มันน่าพึงพอใจอาการมันเป็นสิ่งที่เผดแสบเป็นทุกข์เจ้าจะทุกไปกับมันหรือนะเราจะไม่ยอมอยู่ในบังคับของเจ้าเพราะเราจะมุ่งแต่พระนิพพานแต่บางท่านบอกว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลนะจะปลุกปลอบจิตก็ไม่ได้ผลนะจะตำหนิมันไม่ได้ผลก็ต้องด่ามันเลยนะเจ้าจิตผู้ชั่วช้า เจ้าจะเพลินกิเลสไปอย่างเือนเดิมไม่ได้เราจะบังคับเจ้าให้อยู่ในอำนาจเราจะปลูกเจ้าให้อยู่กับสติเอาไว้บางทีต้องว่าเันอย่างนี้เลยตำหนิมันแรงๆก็ต้องมีหลายวิธีนะเรื่องของใจเนี่ยบางทีก็ต้องปลูกปลอบให้กําลังใจพอปลูกปลอบให้กําลังใจมันก็กลับละท้รละทวยกลับกลายเป็นอ่อนแอขึ้นมาก็ต้องตําหนิบ้างตําหนิไม่ได้ผลก็อาต้อง ต ว, วาดใส่พระที่ท่านใช้วิธีการเหล่านี้ที่พูดมาก็ได้ผลนะท่านก็ได้บรรลุธรรมจากการที่รู้จักเกี่ยวข้องกับจิตใจของตัวเองใจนี้มันก็มีหลายแบบหลายรสนะให้เราศึกษาดูใจของเราการที่มาเจอกับสภาพที่ลาบากในทางจิตใจมันไม่ใช่ลาบากทางกายแต่มันลาบากทางจิตใจหมายความว่าจิตมันไม่สามารถจะ ทำตามความเคยชินได้อยู่ที่บ้านเนี่ยจิตมันสบายจิตมันอยากไปกินเราก็ไปกินตามมันจิตมันอยากดูหนังเราก็พามันไปเสพหนังจิตมันอยากจะไปเที่ยวเราก็พามันไปเที่ยวเรียกว่าเราอยู่ในอานาจของมันตลอดแต่พอมาอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยมันก็จะอึดอัดนะมันก็จะต่อสู้มันก็จะกระส่ากระสายมันก็จะพะยศ ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นอาการของมันการที่พาตัวเองมาอยู่ในที่ลำบากมันก็ได้เห็นนะรู้จักจิตใจของเราจริงๆคนเราเนี่ยอย่างที่เราก็เคยสังเกตได้คนเราเวลาอยู่ในที่สบายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เห็นตัวเองเท่าไหร่เหมือนกับเวลาเราสบายเราเรามั่งมีก็มีใครต่อใครมาหาทุกคนก็อยากเป็นเพื่อน อย่างตอนนี้ผู้ที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญเงินก็มีเพื่อนเยอะมีญาติเยอะใครๆก็มาเสนอตัวเป็นเพื่อนใครๆก็มาเสนอตัวเป็นญาติในสภาพแบบนี้ไม่รู้หรอว่าใครเป็นใครไม่รู้หรอว่าใครจริงใจไม่จริงใจแต่พอลำบากก็จะได้เห็นเลยว่าเห็นความจริงว่าใครจริงใครเทียมใครเป็นมิตรแท้ใครเป็นมิตร เ, เทียมถ้าฉันได้ก็ฉันนั้นเวลาจิตมันลำบากเนี่ย จิตมันก็จะเห็นเลยจิตเราก็จะเห็นจิตเลยว่ามันเป็นยังไงธรรมชาติของจิตเป็นยังไงเวลาลำบากแล้วคนไหนที่จิตสู้คนไหนที่จิต อ, อ่อนแอก็ได้เห็นตรงนี้ถ้าอยู่ในสภาสถานการณ์ปกติเราไม่ค่อยเห็นหรือรู้จักจิตใจของเราเท่าไหร่พู้งั้นคือไม่ค่อยรู้จักตัวเองแต่พอได้มาอยู่ในสถานที่แบบนี้ก็ได้เห็นเห็นตัวเองเห็นจิตใจของตัวเองว่ามันจริงแค่ไหนให้ความยากลบากนั้นเป็นของดี เพราะฉะนั้นเราก็ให้เรามองหัดมองในแง่นี้บ้างอย่าไปหัดมองในแง่ที่ว่าโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยมันไม่มีประโยชน์ที่จะบน่นที่จะข่มครวญไปคิดถึงความสุขสบายที่ทำอะไรได้ตามอาเภอใจในอดีตอันนั้นไม่เป็นประโยชน์ให้เรามายอมรับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด นะมองมันในแง่ดีว่าเอ อ, อยังดีกว่าไปเป็นชาวนาชาวไร่ยังดีกว่าโปรกรรมกรที่ก็ต้องหามเงือต่างน้ําให้เราก็แค่เดินไปเดินมาแค่ยกมือสร้างจังหวะถ้ามันจะตายก็ให้มันรู้ไปต้องบอกกับใจของเราอย่างนี้ต้องสู้หาวิธีที่จะทําให้จิตใจของตัวเองนะมันมีกําลังขึ้นมาและสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เราระลึกว่า มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะทำา4หวันแต่ว่าถ้าทำอย่างจริงจังจริงจังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงซีเรียส น, นะอย่าทำด้วยอาการที่หน้าดาข่ำเคร่งปฏิบัินี่มันปฏิบัตแบบิแบบแบบไม่ต้องเคร่งไม่ต้องเอาเป็นเอาตายอยู่แล้ววางใจให้ดีวางใจให้สบายสบายแต่ทำเรื่อยๆนะถ้าเราวางใจแบบนี้ 4-5 หวันมันก็จะได้ผลที่คุ้มค่า สามารถจะไปใช้กับชีวิตของเราที่เหลือได้วิชาบางอย่างความรู้บางอย่างมันก็ใช้ได้เพียงบางขณะบางช่วงการฝึกบางอย่างมันก็ได้ใช้เพียงบางสถานการณ์เช่นเท่า น, นั้นเองอย่างผู้ที่ฝึกโอลิมปิกมาเนี่ยเด็กๆนะมาฝึกอิมนาสติกเพื่อจะไปแข่งโอลิมปิกตั้งแต่5ขวบตั้งแต่หขวบก็ถูกดึงมาฝึกกันแล้ววันละสิบชั่วโมง เยียดแข่งเหยียดขาทำสารพัดเป็นเวลา 7-8 ปีเพื่อจะได้มาเล่นโอลิมปิกแค่ไม่กี่ชั่วโมงแค่ไม่กี่วันพวกวิ่งแข่งก็เหมือนกันวิ่งมาเป็นหลายหลายปีเพื่อจะได้มาแข่งกันร้อยเมตรนี่ก็แค่สิบวินาทีแค่นั้นแหละเสร็จแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้อีกโอลิมปิกเที่ยหนาก็อาจจะไม่ได้เข้ารอบกับเขาฝึกมาแทบตายเป็น ปีเป็น10ปีได้ใช้แค่ 3-4 วันหรือพวกที่เป็นพนักงานต้อนรับโอลิมปิกนี่ก็เหมือนกันฝึกมาเป็นปีนะเพื่อมาทำหน้าที่การเชิญเหรียญฝึกฉีกยิ้มวันละหลายชั่วโมงเป็นเดือนนะยิ้มด้วยการคาบตะเกียบแล้วยิ้มฉีกยิ้มให้ได้เห็นฟัน 6-8 ซี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงยืนให้ตรงเอาหนังสือวางไว้บนหัวไม่ให้ตกลงมา ใครทำหนังสือตกลงมาก็ถูกตัดคะแนนแล้วก็ไอถูกไล่ออกตกรอบไปไม่ได้ยืนเปล่ า, ายืนไปนชั่วโมงเอาข่าวนีดกระดาษเอาไว้ก็ฝึกมาเป็นเดือนนะเป็นเดือนๆ เ, เพื่อจะมาใช้แค่2อาทิตย์เท่านั้นแหละแล้วหลังากนี้คงไม่ได้ใช้อีกแต่การปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ทําแค่ 3- 4วันแต่ว่า ถ้าทำให้ดีทำให้เป็นมันก็มีประโยชน์เกื้อกูลเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเจอทุกข์นะก็แก้ทุกข์ได้ให้ความทุกข์นี่มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกล้ลวนๆนะแต่ที่จริงแล้วอยู่ที่ใจของเราเป็นหลักมันอยู่ที่ว่าเราวางใจอย่างไรถ้าเราหัดดูใจแล้วก็ฝึกใจของเราอย่างสม่าเสมอให้สตินะเข้ามาครองใจอันนี้มันจะ ช่วยทําให้เราสามารถจะเผชิญกับความผันผวนป่วนแปรในชีวิตได้ชีวิตนี้มันก็มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียนะมีเจอมีจากมีพบมีพลาดก็เรียกว่าโลกธรรมชีวิตเป็นอย่างนี้บางทีก็ราบเรียบบางทีก็เหมือนกับมีพายุเป็นเรื่องที่เราคุมไม่ได้ไม่ว่าเก่งแค่ไหนบางทีก็ธุรกิจก็ต้องล้มละลายไม่ว่าเก่งแค่ไหนก็ต้องเจอกับความสูญเสีย ของลูกบ้างของเมียบ้างของตัวเองบ้างความเจ็บความป่วยสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครจะควบคุมได้เวลามันเกิดขึ้นแล้วมันป่วยการที่จะโทษชะตากรรมมันป่วยการที่จะไปโทษใครต่อใครว่าทําไมถึงต้องเป็นชั้นแต่ว่าสิ่งที่มันจะช่วยได้คือการวางจิตวางใจให้เป็นการฝึกจิตให้ดีก็ทําให้เราสามารถเจอแรงกระทกระแทกได้ไม่ว่ามันจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ถ้าเรามีสติรักษาใจไว้มันก็ทำให้จิตเราเป็นปกติได้าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าเราปฏิบัติให้เป็นนะไม่ใช่เก่งแต่เรื่องการทำพิธีกรรมเก่งแต่เรื่องการให้ทานมีทานที่ไหนเราก็ไปที่นั่นหรือว่าเก่งในเรื่องของพิธีการพิธีกรรมอย่างนั้นมันไม่พอต้องให้ไปถึงใจให้ฝึกเข้าไปถึงใจนะให้ใจเรามีสติมีปัญญา เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวไม่ว่าสุขหรือทุกข์เมื่อเกิดสุขหรือว่าเมื่อได้โชคได้ลาภจิตใจก็ไม่ยินดีปรับปลืม้มจนลืมตัวนะเมื่อสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปหรือว่าเมื่อประสบข้อกรรมใจก็ไม่ตกต่ำไสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยสติและปัญญาเป็นหลักนะธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ย อย่างแรกที่เป็นประโยชน์กับเราคือมันช่วยทําให้เราเนี่ยตั้งรับกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าได้โชคหรือว่าเจอเคราะ์เราก็รักษาใจใปกติได้หรือว่าเวลาเจอสิ่งต่างๆเจอรูปที่น่า ย, ยินดีใจก็ไม่เกเรนได้ฟังคําพูดที่ไม่น่า ย, ยินดีจิตก็ไม่ตกจิตเป็นปกติได้ อันนี้ต้องอาศัยธรรมะโดยเพาะสติและปัญญาทำให้ใจเรานิ่งสงบบางทีก็เรียกว่านะมีอินเียสังวรอินทียสังวรก็คือการที่รักษาใจให้เป็นปกติได้โดยที่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่เกิดอาการชอบหรือชังไปตามสิ่งที่เห็นบางคน จ, จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเจอสิ่งดีๆฉันสุขแต่ว่าเวลาเจอสิ่งไม่ดีฉันไม่ทุกได้ไหมมันทาไม่ได้ ใจที่สุขมากเวลาเจอสิ่งที่น่ายินดีพอเจอสิ่งที่ไม่น่ายินดีมันก็ต้องทุกข์มันเหมือนกับว่ายิ่งอยู่บนที่สูงมากเท่าไหร่ตกลงมาก็ยิ่งเจ็บไม่อยากตกลงมาเจ็บๆก็อย่าไปขึ้นสูงมากา ใ, ใจที่มันปล่อยให้ลอยสูงเพราะยินดีในสิ่งที่น่าพึงปราถนาเวลาพลาดพราดจากสิ่งนั้นมันก็ต้องตกลงมาเจ็บเป็นธรรมดาตั้งแต่ถ้าเกิดว่าเรา รักษาใจเป็นปกติได้เออได้โชคได้ลาบก็ไม่ได้ปล่อยใจลอยมากใครก็ชมเราเราก็ไม่เพลินนะเพราะเรารู้ว่าของพวกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเรารู้มาว่าเป็นของไม่เที่ยงเรารู้วสักวันหนึ่งสารเสริญก็จะกลายเป็นนินทาและเมื่อสารเสริญกลายเป็นนินทาเป็นคำตำเนีจริ ง, รงๆเราก็ไม่ถูกถ้าคนที่ดีใจหัวเลาะเวลาร้องไห้ก็ร้องไห้ดังนะ หัวราอเสียงดังเมื่อได้สิ่งที่พึงปรารถนามันก็ต้องร้องไห้หรือกลายเกลียวด้วยเสียงดังเมื่อพัดพรากจากสิ่งนั้นไปหรือเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหัวร้องก็บร้องไห้นี่มันมาด้วยกันหัวราอ ด, ดังเท่าไหร่ร้องไห้ก็ดังเท่านั้นถ้าไม่อยากร้องไห้เสียงดังก็อย่าไปหัวร้อ ด, ดังมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์ธรรมดาเท่านั้นเอง เพรนั้นในการที่เรามีสเติเนี่ยมันก็ทําให้เราเจอสิ่งต่างๆเราก็ไม่ทุกข์อินเสียสังวรคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายอันนั้นเป็นเรื่องศีลศีลนี้เป็นเรื่องการควบคุมกายวาจาแต่ว่าอินเสียสังวรนี่เป็นเรื่องของการทําใจฝึกใจธรรมะในพุทธศาสนานี่มันจะมี2ระดับระดับแรกคือเป็นการตั้งรับตั้งรับคือว่าเห็ น, นอะไรก็ตามใจนิง่ง ต้องฝึกตรงนี้ด้วยไม่ใช่ฝึกให้ไม่เห็นอย่างเราฝึกเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปฝึกว่าอย่าไปมองอย่าไปดนะูภาพที่มันไม่น่าดูอย่าไปเล่นเกมที่มันอันตรายถ้ามันมีภาพลามกก็ต้องปิดกั้นไม่ให้เด็กเห็นควบคุมเว็บไซต์ปิดเว็บไซต์หรือว่าปิดช่องทางไม่ให้เด็กเห็นอันนั้นก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่ามันก็แก้ได้ไม่ตลอดมันไม่สามารถป้องกันได้ทุกเวลา ก็ต้องฝึกให้เด็กเนี่ยเขารู้จักรนะักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์หรือว่ากระเพื่อมหรือว่าไม่ให้จิตเป็นอกุศล น, นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่เด็กเขาก็ต้องสามารถจะเข้าไปเห็นจนได้ภาพที่มาทางอินเทอร์เน็ตภาพที่เห็นทางโทรศัพท์มือถือหรือทริปวิดีโอมันแพร่หลายไปหมดแล้วจะปิดทางไม่ให้เด็กเห็นเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องฝึกอีกทางนึงคือฝึกให้เด็กเขารู้จักมอง หรือว่าเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วจิตไม่กระเพื่อมจิตไม่เป็นอกุศลอันนี้เรียกว่าต้องมีธรรมะเป็นเครื่องตั้งรับตั้งรับเพื่อไม่ให้จิตนี้มันวันไหวจิตเป็นอกุศลก็ต้องมีสติมีปัญญาสามารถที่จะมองให้มันเป็นธรรมดาได้หรือว่าสามารถจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่คือนอกจากตั้งรับแล้วยังสามารถที่จะรู้จักช่วยรู้จัก ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างพระในชายพุทธกาลนี้ท่านก็จะมีวิธีการหลายอย่างมีเรื่องเล่ามากมายอย่างบางท่านนี่ไปเห็นหญิงฟอ้อนลำนะแต่งตัวสวยงามแล้วก็ไลยลำในทางที่กระตุ้นให้เกิดกำหนัดคนทั่วไปไม่มีการตั้งรับที่ดีเมื่อเห็นภาพเหล่านี้จิตก็เกิดกำหนัดเกิดเป็นอกุศลเพราะไม่มีสติแต่ว่า ท่านที่ฝึกดีแล้วท่านเห็นเหล่านี้จิตท่านก็สงบได้ไม่ใช่แค่สงบหรือนิ่งอย่างเดียวแต่ท่านก็กลับใช้สิ่งที่เห็นนั้นให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยอย่างเช่นบางท่านก็มองว่าเนี่ยมันเป็นอุบายของมารมานี่มันอาศัยกามนี่มาเป็นอุบายมาเป็นกับดักเพื่อล่อให้เราตกเข้าไปในกามนั้นให้เราตกเป็นท่าของกามท่านพิจารณาเช่นนี้ก็เห็นโทษของกรารว่ากามนั้นเนี่ยมันน่ากลัว เมื่อเห็นโทษของกลามนี้ท่านก็เรียกว่าปล่อยวางในกลามได้สามารถจะหลุดพ้นได้ขณะที่เห็นภาพที่มายั่วยวนนั่นเองอันนี้ก็เรียกว่านอกจากรักษาใจให้นิ่งได้แล้วยังเอาสิ่งที่เห็นนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางที่ทำให้เกิดการบรรลุธรรมได้อันนี้เรียกว่ามีโยนิโสมณสิกการโยนิโสมณสิกาการคือการคิดเป็นมองเป็นนะซึ่งเราก็ต้องสอน ให้กับตัวเองด้วยแล้วก็สอนให้ลูกหลานหรือว่าสอนลูกศิษย์ของเราด้วยเกิดโยนิสโสมณฑสิกาคือคิดเป็นมองเป็นบางท่านนี่ถูกหญิงแพศยานี่มายัว่วยวนมาชวนให้ลาศิกขาความไปบริโภคกามกันเถิด น, นะเพราะว่ายัางหนุ่มยังแน่นเอาไว้ค่อยแก่แล้วค่อยมาบวชก็ได้เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองโลกนะคือว่าในขณะที่วัยหนุ่มก็ได้บริโภคกาม นะหรือได้เสพกามในวัยชราก็ได้ปฏิบัติธรรมยังไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็ได้แต่ท่านที่ถูกโย่อโยนแบบนี้จิตท่านกลับนิ่งไม่วันไหวไปตามคําพูดหรือว่าอาการที่ได้เห็นไม่เพียงแต่เท่านั้นท่านก็ยังมองต่อไปด้วยว่าโอ้นี่แหละคืออุบายของกามนี่แหละคืออุบายของมานที่มันใช้กาลมาเป็นเครื่องล่อ ม, มันใช้การเป็นเครื่องรอให้เราตกอยู่ในอำนาจของมันท่านมองเช่นนี้ท่านก็เกิดโปรงขึ้นมาแล้วก็เห็นโทษของกลามอยู่ก็ทั้งปล่อยวางได้คือถ้ายังไม่เห็นโทษนี้ก็ยังยึดติดนะแต่พอเห็นโทษแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยที่เรายังยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้เพราะเรายังไม่เห็นโทษมันจรงิงๆพอท่านเห็นอย่างนั้นท่านปล่อยเลยก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันมีพระที่บรรลุธรรมได้ทั้งๆที่อยู่ตอนหน้าภาพที่มันชวนให้เกิดกำนัดหรือว่า ถูกกระตุ้นในทางการมาลาค่าแต่ว่ามันไม่เกิดผลแก่ท่านเพราะว่าท่านมีวิธีการตั้งรับมีวิธีตั้งรับที่ดีตั้งรับแล้วจิตนิ่งพอจิตนิ่งแล้วก็เอาสิ่งที่เห็นนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากไม่ขาดทุนแล้วยังกำไรธรรมะในพุทธศาสนาจะมี2 อ, อย่างอยู่เสมอนะอาที่คือเป็นช่วยในการตั้งรับไม่ให้จิตเป็นทุกข์ไม่ให้จิต เ, เป็นอกุศลก็คือมีสติเจอแล้ก็ตามจิตก็นิ่งได้ เจอความพัดผ้าสูญเสียจิตก็ดิงได้เพราะเห็นเป็นธรรมดาเพราะเห็นว่านี่คือโลกธรรมหรือเพราะมีสติรู้ทันจิตที่หวั่นไหวรู้ทันกำหนัดที่เกิดขึ้นรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถูกตําหนิถูกต่อว่ า, าคนธรรมดาก็ตั้งรับไม่ทันจิตก็โกรธเกิดโทสะขึ้นมาแต่ว่าถ้าผู้ที่มีธรรมะมีสติก็สามารถที่จะรู้ทัน พอาสตรที่เกิดขึ้นแล้วก็วางมันได้ก็ทําให้จิตเป็นปกตินิ่งได้หรือท่านที่ฉลาดคนนั้นก็เอาคําตําหนิของเขานี่ยแหละมาพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นมีประโยชน์แค่ไหนคําตําหนินี่มันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะมันอยู่ที่ว่าประโยชน์มากหรือน้อยอาจจะมีประโยชน์ 50% อาจจะมีประโยชน์ 10% หรืออาจจะมีประโยชน์ 5% แต่ก็มีประโยชน์เหมือนกับขยะเนี่ย ขยะนี่ถ้าใช้ใเป็นมีประโยชน์ทั้งนั้นจะไปทําเป็นปุ๋ยก็ได้ถึงแม้ว่าขยะบางอย่างมันมีพิษเราก็เอาทิ้งไปได้เอามารีไซเคิลเอามา reuse ได้ขยะที่ทิ้งเนี่ยเป็นปุ๋ยก็ได้หรือว่าจะมาแยกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกมา ก, ก็ได้ให้คําตําหนิก็เหมือนกันอย่าไปมองามันเป็นขยะที่ไม่มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์มากบ้างน้อยบ้างอยู่ที่ความฉลาดของเราว่าจะเอามาเลือกใช้แค่ไหน มีบางท่านอย่างเช่นเจ้าของเมืองโบราณซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเป็นคนรวยมากแต่ว่าเป็นคนที่ศึกษาธทำเขาบอกว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลคำตำหนิก็เป็นมงคลนะถ้าหากว่ารู้จักเมารู้จักใช้แต่อย่างไรที่ต้องทำเพื่อทำใจให้มันนิ่งให้ได้เวลาถูกตำหนิดเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยชอบคำตำหนิเราเจอคำตำหนิแล้วจิตใจระหวันไหวบางทีข้อตำหนิเรื่องงานใจเราก็ทุกข์ไปแล้วอันนี้เราต้องเรียนจาก พวกฝรั่งนะฝรั่งนี่เขาเวลาเขาตาหนิเรื่องงานเรื่องการเขาวิจารณ์เรื่องงานเรื่องการเขาวิจารณกันเต็มที่ถ้าคนถูกวิจารณ์หรือเจ้าของงานนี่เขาก็ไม่ไม่โกรธโมโหมากเพราะรู้ว่าสิ่งที่ถูกวิจารณ์นั้นคืองานไม่ใช่คือตัวเขาแต่คนไทยเราเดี๋ยวนี้เอาเราไม่แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานเราเอาตัวตนไปผูกยึดติดกับงานพอวิจารงานก็เหมือนกับวิจารตัวเราก็เลยพูดกันไม่ได้วิจารกันไม่ได้ ก็เลยใช้วิธีนินทาแทนเพราะว่าพูดต่อหน้าไม่ได้ก็เรียกว่าเสียประโยชน์ทางพุทธศาสนาจะเน้นมากหรือว่าให้เรารู้จักใช้คำ ว, วิจารณ์คาตําหนิให้เป็นประโยชน์พระพุทเจ้าก็ยังเคยเปิดให้พระสงฆ์นิวิจารณ์ว่าพระองค์นี้มีอะไรที่บกพร่องมั่งอันนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าเรามีท่าทีที่ดีเรามีธรรมะเป็นเครื่องตั้งรับเราก็สามารถจะรักษาใจไม่ให้กระเทือนไปกับ รูปรถกินเสียงต่างๆที่เข้ามากระทบได้มันเข้ามากระทบนะแต่ใจไม่กระเทือนมันเข้ามาทางตาแต่มันก็หยุดเท่านั้นมันไม่กระเทือนไปถึงใจเข้ามาทางหูมันก็หยุดแค่นั้นไม่กระเทือนมาถึงใจเพราะเราไม่ได้ยึดติดมาว่ามันเป็นตัวเป็นตนนะเมื่อใจไม่กระเทือนแล้วใจนิง่งแล้วก็สามารถจะใช้สิ่งที่เห็นเอามาให้เป็นประโยชน์ได้ไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหน ก็ยังรู้จักเลือกเฟ้นสิ่งดีๆที่มีประโยชน์เอามาใช้ในการพัฒนาชีวิตของเราเอามาเพิ่มพูนสติปัญญาของเราได้อันนี้เรา ว, ว่าต้องรู้จักมีทำเป็นเครื่องตั้งรับแล้วก็มีทำเป็นเครื่องใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งรับอย่างเดียวไม่พอนะต้องเอาสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่พบสิ่งที่เห็นเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยมั น, นยังจะครบถ้วนปล่อยวางอย่างเดียวไม่ได้นะปล่อยวางอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าไปลงมือทํา ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์อันนั้นแหละถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมได้ครบถ้วน